ข้าพเจ้าพระภยัยบุญนะพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนหายโฉก ว, วันนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆเราพูดเรื่องนี้ทุก ว, วันเลยท่านฟังจึงได้ให้ฟังเรื่องที่ได้เคยพูดไปก่อนที่ให้เอามาฟังสิ่งที่เป็นพุทธพจน์นั้นเพราะว่าเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นั้นในรายการทั้งหมดเลยนั้น 100% ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ขับชาติคิดเองแต่เป็นเรื่องที่พรุทธเาได้ตรัสต่อไปแล้วในตัวขับชาตินั้นมีหน้าที่ในความเป็นประสงค์ในความเป็นสมณะในหน้าที่ของสมณะ2ใน6อย่างที่ได้ทาอยู่ที่นี้อยู่เป็นประจำคือความที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนั้นก็หมายถึงให้ฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง บางเรื่องบางราวเราอาจจะลืมไปเผลอไปหรือว่ายังไม่เคยได้ฟังก็ไม่ได้ฟังเราก็นําสิ่งทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้จแจ่มแจ้งจึงมีการอธิบายนะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้อธิบายเรื่องประสูตรที่คุณจะทำห้อย่างนะซ้ำอีกครั้งหนึ่งท่านผฟังนะคือหนึ่งความเป็นผู้มีมิตร ด, ดีเพื่อนดีนะมิตร ด, ดีเพื่อนดีนี้นะคุณจะเป็นเพื่อนที่เป็นคารวะก็ได้ เพือนที่เป็นพระสงฆ์ก็ได้หรือจะเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้หรือจะแม้แต่จเจ้าตัวพระพุทธองค์เป็นเพื่อนเป็นไกลนามิตรก็ได้หรือถ้าเอาสิ่งที่เป็นธรรมะนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์แเนี่ยเป็นกกลนามิตรก็ได้สองเราต้องมีศีลศีล น, นี่ไม่ใช่แค่ว่าศีลหศีลแศีลหศีลแดีแล้วหรือว่าศีลในปฏิโมกข์คือศีลที่อยู่ในตัวบทแต่ยังรวมถึงมรารยาท ต, ต่างๆด้วยนะรวมถึงการ เดินทางไปไหนที่ที่เราเดินทางไปโคจรต่างๆนี้ต้องเป็นสิ่งที่ดีด้วยนี่คือข้อที่2องนข้อที่สามต้องเป็นผู้ที่ได้ธรรมะที่เป็นไปเพื่อการเปิดโลงแห่งจิตนั่เป็นไปเพื่อการขุดเค้ากิเลสในเรื่องอะไรบ้างที่มันจะลอกออกขูดออกอกิเลสออกจากใจของเราได้แล้วก็เรื่องเช่นว่าเรื่องให้ขวนขวายน้อยเรื่องให้ปรารถนาน้อยเรื่องให้มีความสันโดษเรืให้มีความสงดัดเรื่อให้มีความเพียรเป็นต้น เรื่องราวต่างๆอะไรที่มันจะทําให้กิเลสของเรามันลอกออกขูดออกให้จิตของเรามันเปิดขึ้นโล่งขึ้นอันนี้คือข้อที่3แต่ข้อที่สเราต้องมีความเพียรน่อนฝั่งนะมีความเพียรความเพียรในที่นี้หมายถึงการทําอะไรอย่างจริงๆจังๆจะทําอะไรอย่าจับจดทําให้มันจริงๆจังๆทําให้มันเข้มขน้นแต่ถ้าเข้มขน้นเกินไปมันกินแล้วมันเค็มไปมันก็จะไม่อร่อยแล้วก็จะต้อง ทำความเพียรงเราให้พอประมาณนะความเพียรที่มากเกินไปก็เป็นไปเพื่อความฟุง้งซ่านความเพียรที่น้อยเกินไปนะก็เป็นไปเพื่อความเกียดคร้านแต่กนะ็จงจะต้องตั้งความเพียรแต่พอดตอีต้องเข้าใจความที่อินทรีย์ทั้งหลายต้องมีธรรมชาติเสมอๆกันนะนี่คือข้อที่4แล้วข้อที่ห้าต้องเป็นผู้ที่มีปัญญานะปัญญานี้ไม่ใช่ว่าปัญญาอะไรมากมายนะคุณเห็นปัญหาบางอย่างคุณอาจจะ ไม่รู้ทางแก้ก็ได้นั้นเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้เป็นปัญญาเครื่องชําแรกกิเลสโอ้ปัญญาเครื่องชําแรกกิเลสเป็นยังไงแต่ปัญญาเรื่องชํารกกิเลสนี่บางทีเราก็แค่เห็นว่ามันมีความไม่เที่ยงท่านหนึ่งอาการที่เราเห็นความไม่เที่ยงเราเห็นความที่มันจางคลายไปได้ดับไปได้แต่ปัญญาตรงนี้แหละเป็นปัญญาเครื่องชําแรกกิเลสนะง่ายๆแค่นี้ทําไมมันถึงว่าเรียกว่าเป็นปัญญาง่ายๆแค่นี้ท่านผฟัง แต่ว่าบางคนไม่เห็นไงมันง่ายมากมันมองข้ามไปเหมือนจุกมูกเรานี่ตาบางทีมันมันมองข้ามไปแต่ว่าจริงๆเราลืมสังเกตลงมาใจของเราหรือเปล่าตั้งแต่ฟังมานี่ทำฟังรู้ลงมาใจตัวเองไหมนะให้ทาเป็นปกติเลยทำฟังที่พูดถึงเรื่องนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเพื่อต้องการจะยืนยันกับท่านผู้ฟังว่าอมันนี่เป็นคําสอ่งของพระเจ้านะครัพเจ้าไม่ได้คิดเองในตัวพระไปบูร์นนะก็เป็นสาวกในพระผู้มีพระภาค ท่านผู้ฟังเวลาฟังธรรมะเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าไม่ได้เรียนจากข้าพเจ้าน่ยคือฟังต่อมาจากข้าพเจ้าเฉยเวลาเราเราจะเข้าใจอะไรสักอย่างหนึงหนึ่งให้เข้าใจตรงจุดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แต่ข้าพเจ้ามีหน้าที่คือเอามาบอกต่อเอามาบอกต่อแล้วก็ทําสิ่งนั้นให้จำแจ้งแค่นี้เองเพลนได้บางทีในเรื่องการบอกต่ออาจจะมีข้อผิดพลาดในถ้าเราสงสัยตรงไหน ต้องกลับไปดูที่ตัวบทตัวแม่บทตัวมาติกาตัวต้นฉบับของจริงเขาว่าอย่างไงเรากลับไปดูแล้วไปเข้าใจตรงนั้นนอยากเข้าใจในสิ่งที่ข้าพเจ้าบอกแต่ให้เข้าใจในสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าทิ้งคําสอนเอาไว้ท่านฟังในเป็นคําสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงตัวข้าพเจ้าเองเอามาบอกต่อเนี่ยก็ต้องคอยระวังแต่นะว่าการบอกต่ อ, อเราบริสุทธิ์ไหมหรือตัวท่านฟังเองบอกต่อบางทีเราไปปฏิบัติรำมา แหมดีจังเลยที่นี่ปฏิบปธรรมเราไปอา่านหนังสือธรรมะมาแหมหนังสือเล่มนี้ดีจังเลยเราจะไปบอกตอบคุยต่อให้คุณหนึ่งก็าฝังถ้าเราด้วยเจตนาที่ว่าบอกตอบคุยต่อแล้วเขาจะเริ่อมใ ส, ส่ัต้าเร า, าการบอกต่อของเราเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์ในมีเจตนาแอบแฝงแต่ถ้าเรารู้สึกว่าแม่ธรรมนี้มันดีจริงๆแในเป็นของที่พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วเป็นของบริสุทธิ์บริบูรณ์เห็นได้ด้วยตัวเองเป็นของที่เป็นปัจจุบัน ตลอดการเรามีความรู้สึกว่าธรรมะเป็นของดีแล้วเราไปอบอกต่อเพื่อที่ด้วยเจตนาว่าให้เขาปฏิบัติได้ให้เขาทําได้ชีวิตเขาได้ดีขึ้นมาเออนี้ก็ฟังเขาท่าหน่อยหรือว่าเราไปบอกต่อด้วยความที่แหม้ของดีๆนี้มันต้องแบ่งให้กันเออนี่ก็ฟังเขาท่าหน่อยนี่คือหมายความว่าด้วยความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมอันดีหรือว่าเรามีจิตมีความเอนดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลใน บรรดาสัตว์ต่างหลายเราก็บอกต่อให้เขาฟังอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะฉะนั้นการบอกต่อเพื่อให้เขาเข้าใจก็คือเข้าใจในตัวต้นฉบับที่ได้แสดงไปแล้วคือเข้าใจในธรรมะที่พระเจ้าได้ประกาศไปแล้วนะเราพยายามทําความเข้าใจในธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้ท่านฟังไม่ใช่ทําความเข้าใจในธรรมะที่พระภัยบุญมาพูดนะเพราะว่าถ้าสมมุติบางเรื่องครับพระเจ้าไม่ได้พูด บางเรื่องครัเจ้าเองก็อาจจะ ย, ยังไม่เข้าใจนั้นเราไม่ได้พูดขึ้นมาความรู้ของท่านผู้ฟังก็จะถูกจํากัดอยู่แค่เพียงเท่านั้นนะมันไม่ใช่ไงแต่เราต้องเอพยายามที่จะควนขวายหาความรู้ของตัวเราเองด้วยนะครับเจ้านําเรื่องใดๆมาพูดก็ให้เข้าใจในความที่เรื่องนี้มาจากสิ่งที่เป็นพระุทธเจ้าสอนเพรา ะ, ะนั้นหมายความาอะไรนะหมายความว่าเวลาไปพูดเนี่ยก็อย่าไปบอกว่าพระไปบูรเทศอย่างนั้นเทศอย่างนี้ พระไปบูนบอกอย่างนั้นบอกอย่างนี้ไม่ใช่พูดไปเลยพระผู้เช่าบอกไว้อย่างนี้ผู้เชา่าแสดงไว้อย่างนี้ผู้เช่าให้ความรู้ไว้อย่างนี้พูดอย่างนี้ดีกว่าเอาแล้วท้าคุณฟังมาจากไหนฉันฟังมาจากพระไปบุนไหนแล้วตรวจสอบถูกไหมอ้าไม่ถูกต้ฉนฉบับบ้างงนี้หรือว่าถูกโอถูกถูกอธิบายไว้ว่าอย่างนี้แค่นั้นเองนะให้ให้เข้าใจอย่างนี้ทฟัง อ, อีกเรื่องหนึ่งที่ได้นําพุทธพจน์หมาให้ท่านฟัง ได้ฟังเมื่อวานในเรื่องของฟังธรรมคำพุท ธ, ธะนั้นแล้วก็สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อวันก่อนนะครับเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลคนป่วยนี้ก็อายุเจกว่าแล้วแล้วก็คือปรากฏว่ากระดูกสะโพกเนี่ยหักกระดูกสะโพกหักเนี่ยก็เพราะว่าล้มหกล้มในห้องน้ำอายุเจ็กว่าแล้วหกล้มในห้องน้ํา ต, ตอนที่ นอนอยู่บนเตียงนี้หมอเขาก็เอาอเครื่องดึงขาเนี่ยนะมันดึงเอาไว้เพื่อให้กล้ามเนื้อตรงบริเวณสะโพกเนี่ยมันยืดออกนะเพื่อที่จะทําการผ่าตัดได้ง่ายนะแล้วก็ในขณะที่เพื่อที่จะเข้าไปทําการผ่าตัดใ น, ในกระดูกที่มันหักเนี่ยอยู่ในสโนะโพกคือระหว่างขาของเราเนี่ยนะกับกระดูกสะโพกเนี่ยมันมีไอ้ที่มันเป็นกลมๆเป็นเบ้าล็อกเข้าไปเนี่ยมันหักอยู่บริเวณนั้น แต่ไม่ได้หากตรงนั้นหรอกหากตรงสะโพกเพราะนั้นก็เพื่อที่จะเข้าไปทํางานได้ก็ต้องยืดกล้ามเนื้อออกก่อนแต่เนพะรกล้ามเนื้อไปตัดเข้าไม่ได้นั่นต้องแหวกเข้าไปก็ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงถึงหกล้มในห้องน้ําได้นะถึงหกล้มในห้องน้ําได้ก็เพราะว่าจังหวะที่จะก้าวขาออกไปเพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าใช่ไหมปรากฏว่าขามันมันยังไม่ได้ก้าวลงไปให้มันมั่นคงนะัจึงยกขาหลังขึ้น พอยกขาหลังขึ้นปุ๊บขาหน้ายังไม่มั่นคงเนี่ยนะก็เลยะขาพันกันนะพันกันแล้วก็เลยจะเสตัวทรงการทรงตัวไม่ได้นะพอทรงตัวไม่ได้ก็เลยลม้มล้มทีนี้ก็คิดว่าโอ้โหเอาจุดสะโพกลงอาจจะมีปัญหาได้ก็เลยเอามือไปช่วยดันด้วยนะมือก็เจ็บอกีกกร้าวนะทาพอข้าพเจ้าฟังเรื่องนี้ท่านผูฟังนะว่าขาพันกันจึงหกล้มเนี่ยเพราะเนื่องจากการก้าว ไปข้างหน้าขาหน้ายัางเท้าเท้าขวาเนี่ยนะยังไม่มั่นคงเนี่ยเท้าซ้ายก็จะจะยกขึ้นก็เลยทำเป็นเป็นเหตุทําให้ลมเนี่ยทำให้ข้าพเจ้านึกถึงประสูตนี้น่นะจึงนะํามาเล่าให้ท่านฟังฝังพระชาเปรบเทียบไว้นะเหมือนกับโคนะโค่ภูเขาเนี่ยกินหากินตามภูเขาแล้วก็เพื่อที่จะไปหากินหญ้ากินน้ำนะั่ตัวเองหากินอยู่ในบริเวณนี้นะเป็นโคภูเขา มีโคพเขาอยู่สองตัวแตตัวหนึ่งก็ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เนีเวลาหากินในอยู่ที่ตัวเองหากินอยู่นะก็ดีโอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่เมู่วันหนึ่งไอ้โคตัวที่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เนี่ยเขก็มีความคิดว่าเอ้ยฉันจะไปกินน้ำตรงตรงภูเขาต่อไปหน้าไปกินหญ้าไปกินไปดื่มน้ําตรงภูเขาต่อไปดีกว่าเนเพื่อตรงนั้นยังไม่เคยกินหญ้ายญ้าเป็นยังไงน้ําเป็นยังไงนี่ยก็เลยจะเดินทางไปที่นู้น ระหว่างที่มันเดินทางไปนี่พนะระพุทธเจ้าก็อธิบายไว้อย่างนี้บอกว่ามันยกมันวางเท้าหน้ายังไม่ถูกต้องนะเท้าหลังก็จะยกขึ้นนะจึงพลาดลม้มลงนะก็ทั้งไม่ได้ไปในทิศที่ไม่เคยไปด้วยตรงนั้นก็ไปไม่ได้ที่ต้องการไปก็ไปไม่ได้จะกลับมาที่ตัวเองยืนอยู่เดิมก็ไม่ไดนะ้ก็เลยมีปัญหาลม้มนะเป็นอย่างนี้ยาก็ไม่ได้กินน้ําก็ไม่ได้ดื่ม นั่นเพราะว่าทั้งสองขานี่ยังไม่มั่นคงนะก็จึงเป็นเหตุให้หกล้มได้ทํำนะมัอย่างกรณีผู้ป่วยที่ครับชาไปไปเยี่ยมมานะก็หกล้มขาพัานกันนะไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยกลับมาข้างหลังก็ไม่ได้สุดท้ายไปลงบริบาลแล้วทํายังไงก็ามาเปรียบเทียบกับโคผู้เขาอีกตัวหนึ่งโคผู้เขาตัวนี้ฉลาดก่อนที่เขาจะไปหากินอีกผูเขาอีกลูกหนึ่ง นั่นคือเขาเข้าหากินบริเวณนี้อยู่ละเหมือนกันในกรณีเดียวกันหากินหญ้ากินน้ําบริเวณนี้ภูเขาที่ตัวเองอยู่เรียบร้อยแล้วนะก็จะไปหากินหญ้ากินน้ําในภูเขาอีกลูกหนึ่งในอีกบริเวณหนึ่งเพื่อนก็เลยไปนะไปในกรณีนี้ก็คือทางที่เดินไปเนี่ยเราไม่ชํานาญใช่ไหมเราก็วางเท้าหน้านีาน่อุโอคตัวนี้นะเขาก็วางเท้าหน้าอย่างดีนะแล้วก็ค่อยยกเท้าหลัง นะวางเท้าหน้าอย่างดีขอ ย, ยกเท้าหลังวางเท้าหน้าอย่างดีขอ ย, ยกเท้าหลังวางเท้าหน้าอย่างดีแล้วก็ยกเท้าหลังทํไปอยางนี้เขาก็ไปถึงบริเวณใหม่นะหุบเขาใหม่แตนะ่คือถ้าฟังกรองเข้าใจว่าภูเขาเนี่ยเวลามันต่อต่อกันเป็นลูกๆต่อต่อกัอนเนี่ไอ้ช่วงที่จากลาดอันหนึ่งแล้วก็ไปขึ้นอีกอันหนึ่งบริเวณนั้นมันก็จะมีเศษมีกรุกระมีอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะช่วงต่อภูเขาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ อันตรายนะถ้าถ้าเราพิจารณานะพิจารณาในอุปมาภูมิใที่ผู้ชายยกให้นะถ้าเราอยู่ตามภูเขานะบริเวณยอดเขาบริเวณตีนเขานะก็อาจจะราบราบเรียบเรียบไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ช่วงต่อระหว่างภูเขาอาจจะเป็นจุดที่มีอันตรายนะเป็นเขาโกรกชั้นบ้างเป็นบริเวณที่เป็นขุขระ บ, บ้างอะไรบ้างนะซึ่งถ้าโคตัวที่ไม่ฉลาดก็ความล้มนะแล้วไปไหนก็ไม่ได้ติดแ ย, ย่อยู่นั้นล้ก็สุดทาาายยไ ป, ปรพาบา แต่ว่าโคตัวที่ฉลาดก็คือจะต้องเป็นโคที่รู้จักวางเท้าหน้าอย่างดีก่อนแล้วก็ค่อยยกเท้าหลังขึ้นก็จะสามารถไปบริเวณที่ตัวเองต้องการไปได้เปรียบเทียบกับอะไรจำฟังเปรียบเทียบกับการทำสมาธิเลยเปรียบเทียบกับการทำสมาธิเลยเี่เช่นยังไงพระเาเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าถ้าสมมติเราทำสมาธิเราต้องการจะทำจิตให้มันสงบใช่ไห เราก็ฝึกทำสมาธินะทำสมาธิเพื่อที่จะเข้าสมาธิให้ได้บางทีเราก็ทำได้แต่บางทีเราอาจจะไม่คิดเรื่องอะไรหรือคิดเรื่องที่เป็นกุศลนะกุศลไม่คิดมีปีติสุขเกิดขึ้นอันนี้หลายๆคนไปปฏิบัติธรรมก็เคยเจอประสบการณ์นีนะ้มีปีติสุขเกิดขึ้นไปทำสมาธินะคิดเรื่องที่เป็นกุศลละอ่อดีละนะคิดที่เรื่องเรื่องที่เป็นกุศ ล, ลแล้วนะแต่ว่าไม่ชำนาญ นาไม่ชํานาญหมายถึงไงคือไม่ได้เสพให้ทั่วถึงไม่ทําให้เจริไม่ทําให้มากนาซึ่งไอ้ความความชำนาญตรงนี้หนาเราไม่เข้าไม่คล่องแคล่วหเราไม่สามารถที่จะเข้าเมื่อไรก็ได้นาไม่ฉลาดในการเข้าไม่ฉลาดในการตั้งอยู่ไม่ฉลาดในการออกนาก็เลยตัวยังไม่ชํานาญในสมาธิขั้นที่1ก็ดันคิดว่าฉันจะทําสมาธิให้มันลึกลงไปหนาจะเข้าชั้นที่2ล่ะหนจะเข้าชั้นที่2องั้นก็ไม่ต้องคิดเรื่องอะไรดีกว่า นะพยายามที่จะไม่คิดเรื่องอะไรเลยนะก็คือไม่มีวิธวิจารใช่ไหมไม่มีวิกวิจารณแต่ว่าให้มันปีติสุขมันยังอยู่นะปรากฏว่าก็ยังไม่สามารถทําวิกวิจารณ์ให้ระ ง, งับได้ไอ้ความคิดฟุง้งซ่านไอ้ความคิดต่างๆเนี่ยก็ระ ง, งับลงไปไม่ได้มันก็ยังคิดอยู่นะแต่ว่าพอทําไม่ได้เสร็จปุ๊บก็เลยคิดว่าเอางี้แล้วกันฉันก็จะมาคิดแต่เรื่องดีๆเหมือนเดิมอย่างที่ฉันเคยทำได้ก็ปรากฏว่าก็ทํำไม่ได้ ถ้นะาไม่ได้ก็คว่มเลยสมาธิขั้นที่1ที่ตัวเองทําได้แล้วนะยังทําไม่คล่องจะขึ้นไปสมาธิที่มันลึกขึ้นไปดีขึ้นไปนะโดยการที่ไม่คิดเรื่องอะไรนะไม่คิดมันก็คิดไม่ได้ทําไม่คล่องทําไม่เป็นในะจะกลับมาคิดเฉพาะเรื่องดีๆที่มีวิตกวิจารนั่ก็กลับทำไม่ได้ในะสมาธิเดิมก็เสียนะก็คือพังแล้วทั้ง2ด้านเสื่อมแล้วทั้ง2ฝ่ายผู้ชาใช้คํานี้นะถ้าเราทําไม่ชํานาญขาหลัง เรายังไม่มั่นคงเลยนะขาหน้าจะก้าวไปมันจะไปได้ยังไงขาหน้าไม่มั่นคงจะกลับมาข้างหลังก็ไม่มั่นคงก็พังแล้วทั้งสองฝ่ายนะ่ะเช่นเดียวกับโคลภูเขาตัวนั้นนะ่ะไม่รอบรู้ทิศทางไม่ฉลาดนะ่ะเพื่อที่จะเที่ยวไปตามภูเขาอันครุขระใจของเราท่านผูฟังในใจของเราเราคิดว่า ม, มันมีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยนะในใจของเราเนี่ยบางคนก็เก็บขยะทางอารมณ์ไว้หลายปี แล้วก็ไม่รู้จะเอาออกยังไงยังเอาออกไม่ได้ก็พยายามที่จะไปฝึกสมาธิศีลตัวเองยังไม่มีมีไม่พร้อมมีไม่แน่นคงมั่นคงแน่นหนาะไปฝึกสมาธิมันก็ยากอะศีลเรามั่นคงแล้วเราทําสมาธิเรายังทําไม่ชํานาญเราบอกอยากได้สมาธิที่ไม่คิดทำไมยังคิดฟุ้งซ่านอยู่ก็พังแล้วทั้งสองฝ่ายนี่แหลนะแต่ถ้าเราฉลาดนะเราฉลาดต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ทิศทางทายังไงนะ เอานี้ทําใจของฉันนี่ให้มันสังัดจากกามสังกัดจากอกิสุทธธรรมทั้งหลายเสัก่อนนะสังัดจากความคิดในทางกามสังกัดจากความคิดในทางอกิสุทธธรรมทั้งหลายสัก่อนคุณคิดอยู่เนี่ยคือใจคนเราเนี่ยนะท่านฟังมันเป็นจิตที่มันจะต้องเข้าไปรู้อารมณ์อารมณ์มันจะเป็นอารมณ์ที่มีความคิดบ้างอารมณ์ที่ไม่มีความคิดบ้างนะอารมณ์ที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอารมณ์ต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดละ เรื่องอดีต อ, อนาคตเรื่องคนอื่นเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องคนที่ตายไปแล้วยังไม่คิดบางทีเอาเอางนี้เอาแบ่งความคิดที่ฉันมีเนี่ยเป็น2ส่วนซะก่อนนั่นคือส่วนที่เป็นความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเปลี่ยนเบี่ยนให้เป็นส่วนหนึ่งนี่คือทําอย่างที่โพธิชัดทําเลยนะตอนก่อนที่จะบรรลุเป็นพระรัน์แบ่งความคิดอีกส่วนหนึ่งนะความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยพยาบาท ความคิดที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยความเปี่ยดเปี่ยนเอาไว้อีกส่วนหนึ่งอ้าวถ้าใจเรามันไปก้าวลงในความคิดที่ไม่ดีเราจะต้องมีสติก่อนมีสติรู้ว่าไอ้อันนี้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ละให้มันให้ได้ถ้าใจเราไปก้าวลงในสิ่งที่ดีนะเรา ก, ก็ต้องมีสติด้วยรู้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวของเราเออถ้าเราตรีตรองตรองตามตรึกตามความคิดนี้ตลอดวันตลอดคืนก็ไม่มีปัญหาแต่เราทํา เรื่องความคิดในทางอากุศลเนี่ยให้มันหายไปซะก่อ น, นความคิดในทางกางความคิดในทางอากุศลให้มันหายไปซะก่อ น, นทำคล่องแล้วออมีองค์ประกอบอื่นๆเช่นปีติสุขเกิดขึ้ น, นมีปีติสุขเกิดขึ้นมีความคิดในทางการพยาบาตเ ป, เปลียดเบียนละไปแล้วเนี่ยเหลือแต่ความคิดอื่นๆแล้วก็ทําให้มีปีติสุขเกิดขึ้นทั่วทั้งตัวอยงนี้เรียกว่าทําคล่องพระรูปเจ้าเปรีบเหมือนกับเวลาที่เขาทําสบู่ ไอ้ก้อนผงเวลาเราทําผงซําสบู่เนี่ยใส่ลงไปในน้ําแล้วหมักเอาไว้ในแม่พิมพ์เนี่ยต้องให้ยางเนี่ยมันออกเข้ากันมันถึงเป็นก้อนออกมาได้ถ้านึกถึงสบู่ไม่ออกนึกถึงเยลลี่ก็ได้แต่วเวลาทำเยลลี่อย่างเงี้ยถ้าเราผสมส่วนผสมไม่ถูกนะมันก็ไอตรงขอบๆมันก็จะจะรุ่ยรุยออกมันจะไม่เป็นก้อนให้แต่ถ้าเราส่วนผสมผสมถูกนะทั่วทั้งก้อนเนี่ยจะแน่นติดกันอย่างดีเช่นเดียวกัน จิตของเราถ้าเราทําถูกปิติสุขทั่วทั้งตัวจะเกิดขึ้นได้อย่างนี้เรียกว่าทํามัน่นคงอ่ะแต่แต่ยังไม่ชํานาญเดี๋ยวมันต้องมีที่ชํานาญขึ้นไปอีกนั่นะคือความที่เราสามารถเข้าออกเมื่อไหรก็ไดนะ้ให้เป็นนิมิต ท, ที่ตั้งทับแล้วอย่างดีน่นะเป็นนิมิต ท, ที่ตั้งทับแล้วอย่างดีก็คือหมายว่าต้องการเมื่อไหรทําได้ตลอดนะัอย่างนี้เรียกว่าเท้าหลังนี่มั่นคงล่ะแหมที่มันนม่นคงนี้มันก็มีความมั่นคงขึ้นไปอีกนะทานฟัง เรามีความชํานาญในทุกสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรานั่งเราเดินเราทําได้ไหมเวลาเรากราบพระเราทําได้ไหมในสถานการณ์ต่างๆเราทําได้ไหมอยากออกเมื่อไรตรงไหนออกตรงไหนเข้าตัวเองรู้ไหมอันนี้คือมีความชํานาญเพราะมีความชํานาญแล้วเอาละฉันจะไปสู่ที่ที่ไม่เคยไปนะด้วยกันที่ข้ัานที่2องนะไอ้ที่ความคิดทั้งวิตรวิจารณ์ต่างๆนี่ไม่ต้องการคิดละ เพาะอะไรพราะาจจะเห็นโทษของวิโตวิชานั้นเห็นโทษความที่วิโตวิชานั้นบางทีเอ๊ะเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราคิดเรื่องบวกก็จริงอยู่นนั้แต่ว่าบางทีมันก็มีความคิดที่ไม่ดีมันแฝงเข้ามาแต่พอมีความคิดที่ไม่ดีแฝงเข้ามาัมก็เลยเป็นอาพาธแลก็เลยงั้นจะไม่คิดละ่ะเปลี่ยนไปสมาธิที่ลึกขึ้นไปนัจะเปลี่ยนเป็นสมาธิที่ลึกขึ้นไปนั้นก็ก็คือเหมือนกับข้ามแดนไปละคือเท้าหลังเราต้องมันง่นคงแตบางคนเนี่ย ศีลได้อยู่แต่ว่าจิตไม่เคยฝึกก็จะมาไม่คิดไม่คิดไม่คิดอันนั้นไม่คิดอันนี้นะคือจะทําความคิดให้มันหายไปเลยคือวิถีวิชาให้มันหายไปเลยซึ่งบางทีมันยากแล้วถ้าคุณยังไม่เคยได้สมาธิจากขั้นที่1มาก่อนนะก็จะพังทั้ง2ฝ่ายอย่างที่ว่าแก็จะมีความเปลี่ยนเป็นความฟุ้งซ่านบ้างความท้อแท้บ้างความท้อถอยบ้างความขี้เหกียดบ้างนะหลายคนที่ข้าพเจ้าเคยเห็นนะพยายามที่จะฝึกที่จะไม่คิดเดี๋ยวๆคุณข้ามขั้นตอนหรืเปล่า นะีพอฝึกที่ยังไม่คิดทําไม่ได้นี่ก็เลยเลิกท้อแท้ท้อถอยเนะีเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเราต้องฝึกในการที่จะทําตามขั้นตอนนี้ก่อนเนะีเหมือนแมกเหมือนโคภูเขานะีตัวที่ฉลาดนี่แหละเนะี่ยเราก็ไม่ได้อยู่แค่นี้นะมันมีเขาลูกอื่นๆไปอีกตั้ง8ภูเขาไงเนะีนะ่ยภูเขาแรกคือฌานที่หนึ่งภูเขาแรกเนะี่คือความคิดในทางที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยการปฏิบาทเบียดเบียนะมีปิติมีสุข เกิดขึ้นทั้งตัวน้าเราอยู่ภูเขาแรกกินหญ้าให้ภูเขานีา้มันหมดซะ ก, ก่อนเถอะดื่มน้ําให้มันชื่นใจซะ ก, ก่อนเถอะภูเขาเนี่ยน้เราเป็นคนที่หิวกระหายน้ําอ่ะนะขวนขวายหาธรรมะเพื่อที่จะดับความแห้งผากในใจเราเจอน้ําแล้วเราดื่มเลยเราเจอน้ําแล้วเราดื่มเลยอย่าไปหวังน้ําบ่อหน้าเราทําตรงที่เราอยู่นี่แหละให้มันดีซะ ก, ก่อน <c oughs> ความคิดเธอยังมีความที่ไม่ดีอยู่ใช่ไหมสีเรายังมีไม่ดีอยู่ใช่ไหมเราทำให้มันดีซะ ก, ก่อน แล้วเราทำสิ่งของเราให้ดีเราทำสมาธิไอ้ที่ IT เล็กๆน้อยๆนีน่แหละของเราเนี่ยให้มันดีแต่คิดเรื่องดีๆแล้วก็มีความคิดดีๆให้ความคิดที่ไม่ดีก็ละมันไปเนี่ยเราทําตรงนี้ให้ดีซะก่อนแล้วค่อยฝึกที่จะไม่ต้องคิดทําดีนี่คิดดีนี่มันไม่ใช่แค่ว่าคิดดีแล้วจบมันต้องมีปิติสุขเกิดจากสิ่งนั้นด้วยไม่ใช่ว่ามีแค่ปิติสุขแล้วจบมีทั่วทั้งตัวได้ไหม ไม่ใช่ว่ามีแค่ทั่วทั้งตัวแล้วมันจะจบทำได้ตลอดเวลาไหมทำได้คล่องไหมทำได้ทุกเมื่อไหมทำได้นานเท่าที่ต้องการได้ไหมเสร็จแล้วคุณค่อยไปต้องมาคิดแม่โคฉลาดเขาเป็นอย่างนี้นะสุดท้ายไม่ต้องไปลงใบบาทนะเพืฟังสุดท้ายไปถึงที่ที่ได้กินยาที่ไม่เคยกินได้ดื่มน้ําที่ไม่เคยดื่มสบายนะเรามีความอิ่มใจได้ัน ง, ง่ายๆนะเพื่อฟังแต่ต้องฉลาดนิด น, นึงเวลาเราปฏิบัติ ทำแล้วปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะเห็นผลได้ในบางทีเราต้องความปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ว่าอ า, อาจจะทําให้เรามีความสุขตลอดาอาจจะเจอสิ่งขัดขวางบ้างสิ่งที่มากวนใจบ้างอันนี้เราต้องค่อยๆแก้เอาพระเจ้เปรียบเหมือนเวลาที่กินยาคุณป่วยนี่ใช่ไหมต้องกินยายาบางทีมันขมในอย่างพระสงฆ์เนี่ยยาที่พระเจ้าให้ไว้คือยาดองน้ํำมูดเนา่าคือเอาน้ําปัสสาวะของตัวเองเ น้ำปัสสาวะใครก็ไม่รู้เอามาดองยานั่นแล้วกินยาตัวนี้ยาเนี่ยมันทั้งฝาดทั้งเปรี้ยวทั้งรสชาติอืแล้วก็เป็นปัสสาวะด้วยนะจำฟังกัดูแต่กินแล้วมันจะแก้โรคในท้องเราได้ก็กินกินแต่มาจจะไม่ให้มีความทุกข์ในระหว่างกินนิดหน่อยแต่มันจะหายนะเหมือนกันเวลาเราปฏิบัติธรรมบางทีเราเจอความทุกข์บางทีเราเจออุปสรรคบางทีเราเจอสิ่งที่มาคอยกวนคอ ย, คอ ย, คอยขัดขวาง นะั่นแล้วมันทําแล้วมันไม่ได้มันท้อถอยสู้ท่านผู้ฟังให้สู้นะให้สู้ด้วยธรระให้อดทนแล้วบาทีเราอดทนเอาผ่านไปแล้วแตนะ่เรามาดูอีกครั้งหนึ่งเรารู้สึกจะดีใจสบายใจเนื่องจากความดีที่เราได้ส่งไว้ในจิตของเราอีกประการหนึ่งที่ได้พูดถึงไปเมื่อวานนี้นั่นคือเรื่องของผลของความทุกข์หรือว่าเราจะเลือกผลที่จะเกิดขึ้นจากความทุกข์ของเราได้อย่างไรนั่นะทางเลือกมีอยู่สองทาง นะัคือผลของความทุกข์ถ้าใครสักค น, นหนึ่งถูกความทุกข์ครอบงำแล้วนั่นะมีจิตอันความทุกข์รบรัดแล้วมีทางเลือกอยู่สองทางคือหนึเศร้าโศกรำไห้ทุบบกชกตัวหรือว่า 2. แสวงหาณนะทางออกเหนะือที่จะดับไม่เหลือแห่งความทุกข์นี้สัก1 ห, หรือ2วิธีที่เกิดขึ้นภายนอกคือความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นแล้วแลนะมีความหลงไหลเป็นผลหรือมีการสแสวงหาที่พึ่งภายนอกเป็นผล ในมีสองอย่างอย่างนี้อะไรคือความทุกข์ท่านผู้ฟังอ ال, ของที่มันไม่เที่ยงนี่แหละคือความทุกข์เราจะรับรู้ความเที่ยงหรือความไม่เที่ยงได้อย่างไรสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ถูกไหมผู้รู้ชาสอนไว้เราจะรับรู้ได้ไงว่าสิ่งนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราก็รับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจและผ่านทั้งภาษานัลนเองณตัวภาษาเองก็เป็นทุกข์อยูล้เพราะมันมันไม่เที่ยงเพราะเราเห็นอะไรได้ยินอะไรนั่นคือความทุกข์คุณมีทางเลือกอยู่สองทาง คุณจะหลงไหลน้ำรำให้คร่ำครว้นไปตามมันหรือว่าจะสแสวงหาทางออกไปนอกสักหนึ่งหรือ2วิธียังมีความทุกข์เกิดขึ้นเราควรจะเลือกที่จะพ้นจากความทุกข์นี้ในอย่างเช่นว่ามีสิ่งนี้มันกระทาให้เรากระเทือนใจนั้นเรามีทางเลือกว่าเราจะจมอยู่ในความกระเทือนใจนั้นหรือว่าเราจะหลีกออกจากมั น, นสแสวงหาที่พึ่งายนอกเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราจะจมอยู่ในสิ่งที่ไม่น่าพอใจนั้น หรือว่าเราจะเลือกที่จะให้มันออกไปจากใจของเราเราจะเนี้ยออกจากมันยังไงอย่า ง, นะงสิ่งใดที่เป็นทุกข์บ้างเระทุกสิ่งเลยท่านฟังอะไรที่ไม่เที่ยงนั้นเป็นทุกข์หมดอยเช่นเรื่องการกินนะเขาเอามาอาหารมาให้กินนะกินมากมันก็ไม่ดีงั้นเราก็เลือกกินน้อยก็แล้วกันนะหรือความทุกข์มากระทบเราเลือกที่จะจมอยู่ในความโศกหรือเลือกที่จะหายจากความโศกเราก็เลือกที่จะหายจากความโศก นะมีการให้เกิดขึ้นเราจะต้องให้ทานเอ๊ะเราจะตัดสินใจเลือกระหว่างให้มากหรือให้น้อยงันเราให้มากก็ได้แล้วนะเรื่องการนอนนี่ก็เหมือนกันนะคุณจะตื่นเอ๊ะเลือกที่จะนอนต่อหรือเลือกที่จะลุกขึ้นก็ในหะ้เลือกที่จะลุกขึ้นนั้นเรื่องในทางที่จะพ้นออกจากความทุกข์นะหรือว่าเราต้องไปทําอะไรสักอย่างหนะึ่งหนึ่งนัะจะเลือกที่จะผัดผ่อนนะทําอย่างอื่นก่อนหรือเลือกที่จะทําทันทีไม่มีข้อแม้ไม่มีข้ออ้างก็ให้เลือกทําทันทีโดยที่ไม่มีข้ออ้าง เดีเราคี้เกียจะ่ อ, อ ก, กำลังกายอยางมีความทุกนี้เกิดขึ้นเอ๊จะออกกำลังกายดีไม่ออกกำลังกายดีก็ให้เราเลือกที่จ่ อ, อ ก, กำลังกายเลือกที่จะทำอย่างจริงจังในเวลามีผัสสะอะไรเกิดขึ้นเรามีความรูสึกว่โอ้จะอ่อนแอยอมแพ้มันยากจังเลยนะหรือเราจะเลือกที่จะทำไงให้ตรงนี้มันหายไปนะก็คือให้เลือกเพื่อที่จะสู้ทำให้สำเร็จนะหรือบางทีมีความ อ, อ, อยากเกิดขึ้นนะที่จะไปทำตามอำนาจ ก, กิเลส เราก็เลือกที่จะให้ทาําตามอํานาจในกําลังของธรรมนะไม่เลือกในการที่จะทำตามอำนาจกิเลสเราเลือกได้เต็มฟัมีความทุกข์เกิดขึ้นเอ่วยังความสุขนะสุขกเวทนาดูหนังมีความสุขฟังเพลงมีความสุขนี่เป็นทุกข์หรือไม่ทุกข์ทุกนะเราเป็นทุกข์เราเลือกที่จะจมกําหนัดอยู่ในสิ่งนั้นหรือเราเลือกที่จะออกจากสิ่งนั้นเราเลือกได้มีความสุขจากการนั่งสมาธิก็ได้ความสุขจากการนั่งสมาธิเป็นเป็นทุกข์หรือไม่ใช่ทุกข์ มันเที่ยงไหมละ่ะถ้ามันไม่เที่ยงแสดงว่ามันเป็น uk, ทุกข์มันเป็นทุกข์ถ้าเราจมอยู่ในนั้นเราจะจะไม่พ้นไปจากมันได้มีความตายเกิดขึ้นเราจะตายอยู่เนี่ยเราเจ็บไข้เราป่วยอย่างเงี้ยนะเราจะพ้นจากมันได้ยังไงแต่ถ้าเราเลือกในการที่จะจมอยู่ในตัวม ه, ันเราไม่ครําครวนอันนี้ก็เป็นทางเลือกที <one> 1> ่1หรือทางเลือกที่2ในการที่จะพ้นออกจากความทุกข์นั้นได้เราเลือกได้ชีวิตของเราคือทางเลือกทั้งสองให้เราเลือกให้ถูกวันนี้คาชาพระพิบูรลอภิปุโน ก็เวลามีแค่นี้นั่นจากวัดป่าดอนหายโซถ้ารู้ฟังมีคําถามอย่างเกี่ยวกับเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าให้เขียนมาถามได้อย่าลังเลนะในบทที่ข้าพเจ้าวิเคราะห์ผ่านมานี้นั่นะเป็นความเห็นของข้าพเจ้าเองแตนะ่ให้ท่านฟังเรียนจากพระพรุทธเจ้านะเรียนไปที่ตัวบทเดิมพระพุทธเจ้าสอนอยังไงนะไปอ่านตรงนั้นศึกษาตรงนั้นทําความเข้าใจถ้าไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วจะถามใครดีก็ถามข้าพเจ้าก็ได้นะเขียนมาที่ เลขที่1หมู่แตำบลดอนไฮโชกอำเภอหนองหารจังหวั ด, ดอุดรธา น, นีหรือว่าส่งไปที่เว็บไซต์ดีกว่าที่ puredha.com ก็ได้เหมือนกัน puredhamma แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เชิญพอน